เพราะหลงจึงไม่เชื่อเรื่องกรรมผู้ใดมีความคิดหรือความเห็นเกิดขึ้นไม่ว่าเมื่อใดก็ตามว่าบางเวลากรรมดีก็ให้ผลไม่ดีหรือบางเวลากรรมชั่วก็ให้ผลดีผู้นั้นมีความคิดความเห็นผิดจากความจริงแล้วหลงแล้วมีโมหะแล้วจะสามารถทำอะไรอะไรผิ ด, ผด ได้ตามอำนาจของความหลงหากไม่รีบแก้ไขซะดังเช่นบางคนเมื่อจะให้ทานเกิดความคิดขึ้นมาให้ทำไมทำให้เสียเงินทองของเราเปล่าเปล่าถ้าการให้ทานเป็นการทำดีจริงทำไมผู้ให้จึงกลับเป็นผู้เสียคือเสียเงินทำไมผู้ให้ซึ่งว่าเป็นผู้ทำดีจึงไม่เป็นผู้ได้การคิดเช่นนี้สงสัยเช่นนี้ เรียกได้ว่าเป็นไปด้วยอำนาจของโมหะการทําทานเป็นการทําดีผลที่ได้รับต้องเป็นผลดีการเสียเงินหรือสิ่งของไปในการทําทานนั้นหาใช่เป็นการได้ผลไม่ดีจากการทําดีไม่ที่จริงผลของกรรมคือการกระทานั้นบางทีก็แยกออกให้เห็นถนัดชัดเจนยากว่ากรรมดีให้ผลดีเสมอกรรมชั่วให้ผลชั่วเสมอ และเพราะแยกออกให้เห็นยากเช่นนี้ผู้มีโมหะจึงเห็นผิดไปซ้ำเป็นจำนวนมากว่ากรรมดีไม่ให้ผลดีกรรมชั่วไม่ให้ผลชัว่วอย่างเช่นที่ยกมากล่าวแล้วการทําทานซึ่งเป็นการทําดีแต่ต้องเสียเงินไม่ได้เงินเพื่อให้เห็นง่ายขึ้นชัดขึ้นถึงเรื่องผลของกรรมหรือการกระทํา ท่านสอนวิธีไว้ดังนี้คือท่านให้แยกผลของการกระทาแต่ละอย่างออกเป็นสองฝ่ายคือผลของกรรมฝ่ายหนึ่งและผลของกิริยาฝ่ายหนึ่งการให้ทานนั้นผลของกิริยาคือต้องเสียทรัพย์หรือสิ่งของทุกทีแต่ผลของกรรมต้องเป็นความอิ่มเอิบใจเป็นความสุขทั้งแก่ตนเองผู้ให้ และแก่ผู้รับเป็นบุญที่จะสั่งสมตัวเองต่อไปไม่จบสิน้นการทำกรรมทุกอย่างแยกผลออกได้สองฝ่ายเช่นนี้ผลฝ่ายกิริยาจะปรากฏทันทีเช่นคนลักขโมยของเขาผลฝ่ายกิริยาจะทำให้ได้ของมาทันทีแต่ผลฝ่ายกรรมเกี่ยวแกะกาละจะเห็นชัดต้องรอเช่น คนลักขโมยเขานั่นแหละได้รับผลฝ่ายกิริยาคือได้ข้าวของไปทันทีแล้วแต่ผลฝ่ายกรรมเมื่อรอจนถึงเวลาก็จะได้รับเช่นรอพอได้คิดก็จะต้องทรมานใจเพราะกลัวถูกจับรอต่อไปพอถูกจับได้ก็จะต้องได้รับโทษเช่นนี้เป็นต้น การฝึกแยกผลของการกระทาเช่นนี้จะเห็นชัดเจนทั้งผลของกิริยาและผลของกรรมเมื่อสามารถเห็นผลทั้งสองชัดเจนโมหะก็จะเบาบางลงจะทำสิ่งใดก็จะรู้จักยับยั้งไม่ทำที่เป็นการไม่ดีผลที่ได้รับก็ย่อมเป็นความสุขสงบตามสมควรแก่การกระทำที่มีโมหะหรือความหลงเป็นพื้นฐานมากน้อยเพียงใด การกระทำทุกอย่างทั้งดีและไม่ดีเมื่อทำแล้วไม่ลบเลือนไปไหนจะสั่งสมตัวเองอยู่ตลอดเวลาอยู่ภายในใจของผู้กระทำนั่นเองเป็นพื้นฐานแห่งจิตใจของผู้กระทำนั่นเองทำดีมากพื้นฐานของจิตใจก็ดีมากทำไม่ดีมากพื้นฐานของจิตใจก็ไม่ดีมากความจริงมีอยู่เช่นนี้แต่ผู้มีโมหะหรือความหลงมาก จกไม่ยอมรับความจริงนี้จกพยายามลบล้างปฏิเสธความจริงนี้คือจะ ก, กล่าวว่าทำแล้วก็เป็นอันแล้วกันไปไม่มีผลเหลืออยู่เป็นความดีความชั่วที่ยั่งยืนตลอดไปทุกภพทุกชาติบุคคลประเภทดังกล่าวจึงมักทากรรมโดยมุ่งผลฝ่ายกิริยาเท่านั้นมิได้คำนึงถึงผลฝ่ายกรรมที่ต้องเกิดขึ้นแก่กาละดังกล่าวแล้ว นั่นก็คือบุคคลประเภทดังกล่าวมักจะทําอะไรก็ได้ที่ต้องการจะทําโดยไม่ต้องคิดว่าเป็นการทําชั่วหรือทําดีทําผิดหรือทําถูกควรทําหรือไม่ควรทําบุคคลประเภทที่มีโมหะหรือความหลงมากขนาดนี้จะทําอะไรลงไปโดยไม่คิดถึงอดีตไม่คิดถึงอนาคตที่ว่าไม่คิดถึงอดีตในที่นี้หมายความว่า ไม่คิดถึงเรื่องราวทำนองเดียวกับที่ตนกำลังจะทำซึ่งเคยมีผู้กระทำมาก่อนแล้วมีผลเสียหายมาก่อนแล้วเช่นเมื่อจะทุจริตคิดคดโกงก็ทำลงไปเลยไม่คิดถึงคนอื่นที่เคยทุจริตเช่นนั้นมาก่อนแล้วว่าได้รับผลเช่นไรจากการกระทำเช่นนั้นความไม่คิดถึงอดีตเช่นนี้ทำให้ไม่มีเครื่องยับยั้งต้องการทาเป็นธรรม ซึ่งผลนั้นไม่มีเป็นอื่นต้องเป็นผลที่ตรงต่อเหตุเสมอทำเหตุไม่ดีผลก็ต้องไม่ดีทำเหตุดีผลจึงจะดีที่ว่าไม่คิดถึงอนาคตในที่นี้หมายความว่าไม่คิดถึงให้ไกลออกไปข้างหน้าว่าเมื่อทำแล้วจะได้รับผลดีเพียงเฉพาะหน้า หรือจะได้รับผลดีต่อไปในภายหน้าด้วยผู้ที่คิดถึงอนาคตในแง่ดังกล่าวเมื่อจะทำอะไรที่ไม่ดีจะต้องคิดได้แน่นอนถึงผลไม่ดีที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าเช่นเมื่อจะทุจริตคิดคดโกงไม่ทำลงไปทันทีแต่คิดให้ไกลออกไปว่าผลของการกระทำเช่นนั้นจะเป็นอย่างไรก็ย่อมจะต้องคิดได้แน่นอนว่าจะต้องเป็นผลไม่ดี จะต้องเป็นความทุกข์เห็นง่ายๆก็เช่นทุกข์เพราะกลัวจะถูกจับได้จะถูกลงโทษแม้เพียงความกลัวว่าจะถูกลงโทษก็เป็นทุกข์อย่างยิ่งแล้วสำหรับผู้กระทำทุจริตฉะนั้นเมื่อต้องได้รับโทษเข้าจริงๆจะเป็นทุกข์สักเพียงไหนการคิดถึงอนาคตเช่นนี้เท่ากับมีเครื่องยับยัง้ง ไม่ทำอะไรลงไปตามอำนาจความปรารถนาต้องการโดยไม่คำนึงถึงว่าเป็นการทำดีหรือทำชั่วโมหะหรือความหลงของผู้ไม่รู้จักคิดถึงอดีตไม่รู้จักคิดถึงอนาคตดังกล่าวแล้วนั้นเป็นเหตุอันแท้จริงให้เกิดการทำไม่ดีไม่ชอบไม่ถูกไม่ควรขึ้นเนื่งเนืองเรียกได้ว่าไม่เว้นวัน แล้ววันหนึ่งมากมายหลายสิบเรื่องทั้งที่เป็นเรื่องเปิดเผยอื้อเฉาและที่เป็นเรื่องปิดบังซ่อนเร้นการทำลายโมหะดังกล่าวให้หมดสิ้นไปควรจะทำได้ด้วยการฝึกสอนอบรมจิตใจให้คิดถึงอดีตและอนาคตในทํานองดังกล่าวแล้วไว้ให้สม่ำเสมอเรียกง่ายๆว่า มันสอนใจตัวเองไว้เสมอเสมอในข่าวหนังสือพิมพ์ประจำวันหรือเรื่องราวที่ได้ยินได้ฟังจากคนนั้นเล่าคนนี้เล่าจะเป็นเครื่องช่วยในการสอนใจตัวเองได้อย่างดีขอเพียงได้สนใจและมีความตั้งใจจริงที่จะอบรมตนเองเท่านั้นอันความสนใจและตั้งใจจริงที่จะอบรมตนเองนี้สำคัญมากขาดซะไม่ได้ถ้าขาดซัก ก็จักไม่ได้รับความสำเร็จคือจักไม่สามารถทำลายโมหะหรือความหลงดังกล่าวได้และถ้าผู้ใดไม่พยายามเลยที่จะทำลายโมหะในใจตนโมหะของผู้นั้นจะไม่มีเวลาบรรเทาเบ า, บาบางลงได้แต่จะยิ่งเพิ่มภูนพอกหนาขึ้นทุกทีเป็นเหตุก่อทุกข์โทษภัยแก่เจ้าตัวยิ่งขึ้นทุกที